ปาการาธิอนุชานะนะว่าด้วยทรงอนุญาตรั้วล้อมเป็นต้นเรื่องวิหารไม่มีรั้วล้อม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 เราอนุญาตบานประตูกรอบเช็ดหน้ารูครกที่รับเดือยประตูห่วงข้างบนสายอยู่ไม้หัวหลิงลิ่มกรอนช่องดานช่องสำหรับชักเชือกสำหรับชัก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 ราวจีวอนสายระเดียง